มีสมาธิและได้ใช้พลังสมาธิมาแล้วดังะะนั้นเราจรึงจําเป็นต้องฝึกสมาธิที่นี้เพื่อตัดข้อกองวลในการที่ตัดความยุ่งยากในการที่ท่านจะบำเพ็ญสมาธิเข้ากันอย่างนี้ดีกว่าบางทีบางท่านอาจจะคิดว่าข้าพเจ้ามีธุระขีดมากไม่ค่อยมีเวลาจะนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงๆ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 ท่านจึงให้พิจารณาตายให้เห็นสักว่าแต่ว่าตายไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาพิจารณาเวทนาเจตธรรมให้เห็นสัตแต่ว่าจิตและธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตก็ไม่ใช่ตัวตนตายก็ไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตน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 มันก็ไปได้ในหลัสกสตญาทาิสติถ้าสอดานลนะสตญาทิสติาาละความเห็นว่าตนว่าลูกเป็นตนตนเป็นลูกลูกมีในตนตนมีในลูกเมื่อผู้พิจารณากายก็มหาสติปัฏฐานสี่แตกลงไปแล้วความโูภความเข้าใจมันก็ตายไม่เจตตนตนไม่ใช่กายตายไม่มีในตนตนไม่มีในกาย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 เมื่อนอนลงไปท่านก็กําหนดทำสติรู้ว่านอนนอนลงไปแล้วมีหรือคนปลอเองหัวลงไปทับหมอนแล้วนอนหลับปุ๋ยทันทีมีไหมเข้าใจว่าไม่มีแน่ในเมื่อนอนลงไปแล้วเจ็บมันจะต้องคิดต้่นคิดนี่คิดต้่นคิดนี่อยู่ตลอดเวลาโอ้ภาวนามาทําสติตามรู้ความคิดที่เกิดขึ้นในขณะที่นอนตามไปจนกระทั่งเจ็บมันหยุดคิดเมื่อเจ็บหยุดคิดแล้วเจ็บมันก็นอนหลับ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 ถ้าท่านลำพังแต่เพียงแค่ว่นนั่งสมาธิสามสี่ชั่วโมงแล้วออกมาแล้วปล่อยจิตปล่อยใจให้เป็นไปตามอำเภอใจไม่มีการทำสติกำหนดตามโูกทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านประสบอยู่มันก็ไม่คุ้มค่าจะไปสำรวมจิตเฉพาะในขณะนั่งหลับตาเนี่ยไม่คุม้มเพราะแรงขัดดันที่จะทำจิตของเราให้ตกไปอยู่ใ น, ในอำนาจฝ่ายตามเนี่ยมันมีมากเหลือเกิน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 แต่มาภายหลังนี่มาภาวนาแล้วจิตสงบลงไปนิดหน่อยมีแต่ความคิดเกิดขึ้นเมื่อไปห้ามจิตก็ยิ่งฟุ้งกา้านความจริงเมื่อจิตมีพลังงานแล้วเขาต้องการจะทํางานกาหนดจิตลงไปนิดหน่อยพอรู้สึกว่าสงบความคิดมันเกิดขึ้นนั่นปัญญากําลังจะเกิดวิปัสสนากําลังจะเดิน จิตของขั้นกำลังจะเข้าขึ้นสู่ภูมวิปัสสนาถ้าไปภาวนาแล้วเป็นอย่างนี้ปล่อยให้จิตนั้นคิดไปเถอะแต่ว่าต้องทาสติกำนดตามรู้ไปในขั้นตน้ตนๆนี้เราอาจจะควบคุมทำสติกหนดตามรู้ในเมื่อเกิดไปจนกล้องตัวแล้วสติเขาจะทําหน้าที่ตามรู้การคิดไปเอง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 เรารู้ถ้าใจรักจบหลักสุกประการที่สามเราจะรู้ในขณะที่ความคิดของเราเกิดขึ้นถ้าเอาว่าความคิดเกิดขึ้นจิตของเราดำรงอยู่ในความเป็นกลางไม่มีความหวั่นไหวกับความคิดนั้นคิดแล้วก็ปล่อยวางไปคิดแล้วปล่อยวางไปเพราะกําลังสองสติมีประสิทธิภาพพอที่จะทําจิตให้ดำรงอยู่ในสภาพปกติได้แต่ถ้าสตอิอ่อน อภิชาความู้ไม่จริงเข้ามาครอบาำเยอสิ่งที่คิดขึ้นมาปั diet, man, ๊บเกิดความยินดีเกิดความยิน้ายความยินดีและความยินไ้ายนี่เรียกว่าอะไรปิตหารมความยินดีเรียกปิตฐารมความยิน้ายเรียกอนิจฐารมความยินดีเป็นความมัดจันหาความยิน้ายเป็นวิภาวะจันหาเยอในความยินดีและความยินไายเป็นภวะันหา ในเมื่อเจิตของเรามีการมัตันหาภวัดตันหาวิภระวัดตันห า, ต, หาตัวตั้งฐานจิตมันตึงขึ้นมาว่าอะไรดีอะไรชั่วถ้าปรงขึ้นมาว่าสิ่งใดไม่ดีเกิดความไม่พอใจเกิดทุกข์ใจขึ้นมาเมื่อเราเกิดรู้สึกทุกข์ใจร้อนใจไม่พอใจขึ้นมาเนี่ตัวทุกขอริยสัจมันโผ่ขึ้นมาแล้วต่อขึ้นมาให้เราเห็นในจิตของเราอย่างชัดเจน แต่ถ้าผู้มีสติสัมปชัญญะคอยเข้าดูรูอยู่ที่จิตก็จ้าทุกข์ที่โผล่ขึ้นมาพัดเขาจะจับทุกข์แล้วก็ดูตัวทุกข์นี้เขาจะไม่ขับไล่ทุกข์ก็เขาซึ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่ว่าทุกข์เป็นธรรมชาติที่ควรกำหนดรู้เท่านั้นเมื่อทุกข์ปรากฏขึ้นธรรมจะกาหนดรู้ทุกข์เฉยอยู่เพียงแต่จิตกำหนดดูทุกข์เฉยอยู่เท่านั้น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 อย่ามุ่งแต่จะให้จิตสงบเป็นสมาธิได้ทานสมาบัติจากนั้นอย่างนี้ได้ยงได้ยานอะไรต่างๆเอากันที่ตรงที่ว่าเราสามารถสร้างประสิท ธ, ธิภาพทางจิตให้มีความมั่นคงแล้วก็มีสติสัมปชัญญะดีรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆแม้ว่าจิตจะไม่สงบไม่ได้ยานไม่ได้ทานก็ช่างขอให้มีสติรู้ทันแล้วมีปัญญาแก้ไขปัญหาในจิตใจใจของเราได้ เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะคอยต้องดูจิตและอารมณ์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาโอกาสที่จิตมันจะได้วิสกวิจารตีสุขเอตตะตาสงบจนกระทั่งถึงได้ฌานมันจะเกิดขึ้นมาเองอันนี้นักปฏิบัติเราส่วนมากเป็นนักปฏิบัติชนิดแบบที่เรียกว่าชิงสุขก่อนอ่ถหากใครยุ่งใจมากนักเอากันแต่เพียงแค่นี้ อย่างสมมติว่าท่านภาวนาพโพโตก็ดีสัมมาอรังก็ดียกหนอพองหนอก็อดีให้ตั้งใจแน่วแน่ลงไปว่าท่านจะภาวนาคําบริกรรมภาวนาของทัานเพียงคําเดียวเท่านี้ยกตัวอย่างเช่นใครภาวนาพโพโตก็ น, นึกโพโทพโทพโตโพโตโพโตมันทุกลมหายใจเดินเดินนั่งนอนกินเติมทำเนิร์สมันอยู่อย่างนั้นะเอาพโพโตเป็นที่อยู่ของจิตเอาจิตไว้กับพโพโต โดยตั้งใจแน่วแน่ว่าจะลงนรกก็จะลงกับพคตโธจะขึ้นสวรรค์ก็จะขึ้นกับพคตโธจะไปนิทานก็จะไปกับพคตโตจะเอาพคตโตเป็นเพื่อนตายแล้วเนิร์คโคตโตอยู่ทุกลมหายใจโดยไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิน้นเนิร์คจากระทั่งจิตมันคล่องตัวกลายเป็นว่าทายหลังมาจิตมันเนิร์คโคโตเองเอาเพียงแค่ว่าจิตมันเนิร์คโคโตเองโดยไม่ได้ตั้งใจนี่ ก็เป็นฉายาเป็นเงาพอที่จะยึดเอาความดียึดที่พึ่งไว้ภายในจิตใจได้กัะมังทีนี้ถ้าหากว่าเราภาวนาพุโทโธพุโทโธถ้าจิตมันนึกถึงพุโทโธเองแล้วก็ท่องอยู่ที่พุโทโธเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจพวกภาวนาเนี่ยเพิ่งรู้เถิดว่าเราได้องค์ฌานที่หนึ่งที่สองไว้เป็นผุนแล้วถ้าจิตนึกถึงเองภาวนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ย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 เจ้าภาวนาพุโทโธกคำเดียวลงนโลกก็ลงกับพุโทโธขึ้นสวรรค์ก็ขึ้นกับพุโทโธแกก็ท่องของแกอยู่นั้นอนะ่ะท่องอย่างนกแก้วนกขุนทองลองผลสุดท้ายท่องไปท่องมาเฮ้อทำไมใจคนมันลุกเป็นไฟขึ้นมาได้เนี่อย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นใครจะปฏิบัติตามธรรมะแบบไหนอย่างไรก็ตามแบบยกหนอกก็ยึดให้มันมัน่นสัมมา阿拉หังก็ยึดให้มันมัน่น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 อา้าจะถือโอกาสตอบปัญหาธรร่าสมาธิวิปัสนาต่างกันอย่างไรเราจะปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ลําพังจะได้หรือไม่อันนี้เริ่มงสมาธวิปัสนาต่างกันอย่างไรได้อธิบายไปแล้วการปฏิบัติแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นถ้าปฏิบัติเพียงสมาธย่างเดียวเป็นการเจริญสมาธิแบบโยคี แบบเลืสีแต่สมาธิของพระพุทธเจ้านี่ปฏิบัติพร้อมกันไปทั้งสมาถะและวิปัสสนาวิธีปฏิบัติสมาถะและวิปัสสนาพร้อมกันไปนี่ทําอย่างนี้เมื่อท่านบริกรรมภาวนาโพโตโพโทโพโทพโทพโธอยู่พอจิตท่านจิ้งโพโตพักไปคิดจ่างอื่นปล่อยให้มันคิดไปทําสติตามรู้ไปประการที่สองถ้าใครสา ม, รสมารถทําสมาธิให้สงบนิ่งลง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 เราจะไปปฏิบัติแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ต้องปฏิบัติพร้อมกันไปความที่ทำจิตให้มั่นคงหรือจิตตั้งมั่นเป็นสมถะการทําสติตามรู้ความเคลื่อนไหวไปมาของเราตลอดทั้งความคิดก็กลมหายใจเป็นการปฏิบัติวิปัสสนาเราจะนั้นเราต้องปฏิบัติควบคู่กันไปมีท่าผู้ใหญ่บางองค์ที่พูดเสมอเสมอว่าผู้ศีเทวดาไม่มี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 ถ้าหากว่าพูดผีปีศาจเทวดาไม่มีคำภีท่านไม่เขียนไว้หลอกเด็กพูดที่เขียนคำภีว่าพูดผีปีศาจเทวดามีนี่เป็นผู้ที่เคยสัมผัสเห็นพูดเห็นผีมาแล้วอพระโพมเจ้าที่พระโพมเจ้าที่นี่ก็เป็นพวกประเทศโพมเทวดาเราถือว่าเทวดาผู้รักษาพื้นแผ่นดินนี้เราไปปลูกบ้านปลูกท้อง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 ตอบเอาอย่างนี้ดีกว่าทีนี้ถ้าใครจะปฏิบัติกับพระภูมินี่ควรจะได้ปฏิบัติอย่างนี้จะไปจุด ท, ท, ทูปจุดเคียนบูชาหรือเส้นทั้งเลยอะไรก็แล้วแต่ทําไปักแต่ว่าเมื่อทําบุญทํากุศลสิ่งใดแล้วอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลให้พระบูมิบ้านแล้วก็บอกเราได้ทาบุญอย่างนั้นอย่างนั้นเรามาจุดทูปนี่มาบอกข่าวบุญให้แก่ท่าน เราได้ตักบาตรเราได้บวชพระเราได้ฟังเทศเราได้ทํำสมาธิเราเขาทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านท่านจงทราบแล้วอนุโมทนาอนุโมทนาแล้วไปเกิดดีถึงสุขใจอยามานอนกอกูอยู่ในกระท่อมเล็กๆนี้มันไม่สบายบอกท่านเองนั้นอนิพสัจนาภาษีอานั้นแท้จริงแค่ไหนที่ว่าบุคคลในยกนั้นจะมีแต่ความสุขความสบายทุกอย่าง ขอลงปอดช่วยอธิบายเรื่องศาสน า, าพระศิลอา่านเอ่าที่รู้เเรื่องศาสน า, าพระศิีอ่านนี้ก็อ่านมาในคัมภีร์พระมาะรายสูตรในคัมภีร์พระมาะรายสูตรท่านก็บอกว่าในศาสน า, าพระศิลอ่านนั้นเพลินแต่นเด่นจะรักเป็นหน้ากลองคนทั้งหลายจะมีรูปร่าง ส, งสม่งเสมอกันไม่มีคนผอมคนอ้วนไม่มีคนต่ำคนสูง ทุกคนจะมีศีลมีธรรมสม่ำเสมอกันหมดอันนี้ในคำพีพระมาลัยส่ทานกล่าวเอาไว้จะมีสิ่งที่ทน่าแปลกใจอยู่อีกอันหนึ่งในสมัยปัจจุบันนี้ศาสนาพระสมณโคดมยังไม่สิน้นบางครั้งก็มีผู้ไปประกาศตัวว่าเป็นภาษีอ่านไสซะแล้ว <c oughs> อันนี้ข้อสังเกตที่พุทธบริษัทผู้ที่มีสติปัญญาควรจะทาความเข้าใจ คนจะได้ทําความรู้สึกอย่างนี้ใครไปประกาศคนว่าเป็นภระศรีอานคนนั้นไม่ใช่ภระศรีอานคนใดประกาศคนว่าเป็นพระอรหันต์คนนั้นไม่ใช่พระอรหันต์คนที่เป็นภระศรีอานจริงเป็นอรหันต์จริงคนนั้นจะไม่ประกาศตัวเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องอุตริมนุษสธรรมเป็นธรรมอันยิ่งของมนุษย์ใครไปประกาศถ้ามากไปประกาศแล้วเป็นตาอวดอุตริมนุษสธรรมที่ไม่มีในตน เป็นอาบัติอาลจาิกผู้ทา่านโครู้จริงเห็นแจ้งท่านจะสังวรระวังในคำพูดในเรื่องนี้อย่างมากที่สุดเช่นอย่างปัญหาในร้อยนี่บอกว่าให้หลวงพ่ออธิบายเรื่องภาษีอ่านนี่ก็จนใจเพราะว่ายังไม่เคยเห็นภาษีอ่านอ่านแต่ในคมพีรก็มาเล่าให้ฟังเพียงย่อๆถ้าปัญหานี้ก่อน <c oughs> ผู้ที่ทํากรรมฐานแล้วเกิดสัญญาวิปลาสจะแก้ไขจังไร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 ในปัจจุบันนี้ผู้คนกำลังนิยมพูดถึงไสยศาสตร์ที่สามารถในรละมิรสิ่งต่างๆได้อันนี้เป็นมารดาหรือเป็นบุญญาลิศมารดากับบุญยาลิศอาศัยซึ่งกันและกันแม้จะผู้เรียนไสยศาสตร์เรียนแล้วจะเกิดขลังศักดิ์สิทธิ์เพราะอาศัยบุญบรารมีของเก่าช่วยเหมือนกัน อย่างนักรบสมัยโบราณเขาก็เก่งไสยศาสตร์กันทั้งนั้นแต่เมื่อไปลบกันแล้วโู้ผู้ที่มีบุญยลิศไม่ได้อิทธิลิศเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นได้เห็นผู้เรียนไสยศาสตร์เวทมนต์กลคาถาต่างๆที่นี้ไสยศาสตร์ท่านถือว่าเป็นติละฉานวิชาที่ถือว่าเป็นติละฉานวิชาเพราะผู้เรียนแล้วไม่มีศีลมีธรรม แต่ถ้าสิ่งใดที่มันจะเป็นประโยชน์เช่นดังวิชาอาคมศยาศาสตร์เช่นมนต์ต่อตูมนต์เป่าตาแดงเป่าปวดหัวอะไรพวกนี้เอาในวันนี้ก็เวลาก็ผ่านไปถึงสิบห้านาฬิกาเ ส, เสร็จแล้วเ็นันว่าการบรรยายธรรมะวันนี้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกอดีก็เห็นว่าเป็นเวลาพอสมควรในท้ายที่สุดนี้ ตัวยอำาแห่งคุณพระร ศ, ศรีรัตนตรัยหลายสิ่งศัิ์สิิจงดนบันดาลให้ทุกท่านบรรลุคุ ณ, ณธรรมอันเป็นแดนแห่งความสงบจิตสว่างจิตได้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นที่สบายให้บรรลุบัคคุณนิพพานด้วยการทุกข์ทนเทินจิตที่ต่างปฏิตังตุ้มอั้งจิตประเมยวัดสมิเตตุสเปปุเลนตุสั้งสปาจั น, ทนโทปัณรโสยะามาริโสจิลโาโตยะธาสปีติโ ย, ยพิวัตจันโต สัพพโลโปวินัสสุมาติภวัตวันปลายูตุที่ที่กายุกุมวะอาคิวาธนสีริสานิจังอุทาสชาเยนโนจัตตารุธรรมาวัอันติอาจุปโนตุสังพระหลัง